เทศวันที่17มีนาคม2507ณวัดป่า บ, บ้านตา จ, จังหวัดอุดรธานีการอบรมเป็นสิ่งสำคัญ ขึ้นไม้ในเนื้อธรรมชาติของเขาเราก็พอทราบได้ย่อมมีทั้งไม้เนื้อแข็งไม้เนื้ออ่อนมองเห็นด้วยตาเนื้อก็รู้แต่ไม้เล่ถูกในช่งมาดัดแปลงด้วยความเลาดของตน เป็นของที่ควรใช้ได้แล้วจะเป็นไม้เนื้ออ่อนหรือไม้เนื้อแข็งหรือจะเป็นไม้ประเภทใดก็ตามถ้าไม่ใช่ในช่างหรือผู้ชลสังเกต ด, ดูแล้วจะไม่ทราบเลยว่าไม้ที่มาทำ บ้านทำเรือนหรือทำกินต่างๆนั้นไมาเป็นไม้ประเภทใดไม้เนื้ออ่อนหรือไม้เนื้อแข็งเพราะถูกในช่างดัดแปลงอย่างเป็นที่นอกจากนั้นแล้วนังลงน้ำรักน้ำสีถา่าทั่วหมดทั้งบ้านทั้งเรือนเมื่อเรามองเข้าไปดูก็เห็นตัางแต่ สีสิ่งเกลือบแฝงอยู่ภายนอกแต่เนื้อไม้เราหาได้ทราบไหมล่ะเป็นไม้ประเภทไหนมี่เพียงเท่านี้เราก็พอทราบได้ถึงการดัดแปลงคนเราที่ยังไม่รับการอบรม จะเป็นทางดีหรือทางชั่วกว็าตามจะเป็นคนดีหรือคนชั่วไปเสียทีเดียวนั้นยังไม่ได้ต่อเมื่อได้รับการศึกษาอบรมจะเป็นทางดีหรือทางชั่วกว็าตามอัธยาศัยใจคอจริยามายาทของคลผู้ได้รับการอบรมในทางนั้ น, น, น จะค่อยแสดงออกมาให้เราได้เห็นทุกประยักษ์ไปจนกระทั่งแสดงออกมาอย่างเต็มที่จนเขาเป็นคนชั่วเบื้องต้นก็ค่อยรับเล็กขโมยน้อยแล้วได้รับการส่งเสริมจากผู้ใหญ่หรือหมู่เพื่อนด้วยกัน้าุดพาล เล็กๆน้อยๆจนเป็นความเคยชินต่อนิสัยของเด็กคนนั้นนอกจากนั้นแล้วกลับมาบ้านมาเรียนยังได้รับการส่งเสริมจากพ่อแม่ว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นทางที่ดีมีรายได้เป็นเหตุให้เด็กเฮือเหืมภายในใจและสนใจที่จะทำเช่นนั้น อยู่เสมอจนกลายเป็นนิสัยคนชั่วขึ้นมาภายในตัวของเด็กคนนั้นเมื่อเล็กค่อยกลายเป็นคนชั่วขึ้นไปโดยลำดับเพราะความเคยกินแล้วต้องเป็นคนที่ชั่วมากขึ้นไปให้ตาโลกเขาเห็นได้ยินได้อย่างชัดเจน คนที่เขามาเป็นนักโทษในเรือนจำคนที่มีโทษแต่เพราะเหตุแหงความไม่รอบคอบของตนเองรวมตัวเข้าไปทำเกี่ยวกับเขาหรือไม่มีโทษเลยแต่เพราะเหตุผลของทางฝ่ายจุดมีเพียงพอ แล้วก็จำเป็นต้องหลวมตัวเข้ามาเป็นนักโทษคนตลาดนั้นกอมีจำนว น, นน้อยแต่ผู้ที่รับการอบรมในทางนั่นมาจนเคยกินถึงกับเป็นเสือลายนั้นมีจำนว น, นไม่น้อยในเรือนจำแต่ละแห่งละแห่งทั้งนี้ขึ้นขึ้นอยู่กับการอบรมเป็นของสำคัญ ตามธรรมดาของเด็กย่อมขึ้นอยู่กับเพื่อนฝูงและพ่อแม่ผู้ปกครองทางโรงเรียนก็ต้องอาศัยครูมาทางบ้านต้องอาศัยพ่อแม่ออกจากบ้านไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงก็ต้องเกี่ยวกับเพื่อนฝูงทางวาระรับการอบรมเรื่องสอนในทางใดมากกว่าเด็กย่อมมีทัศาคัยใจขอสนใจปายทางในทางนั้นโดยไม่คำหนึงว่าเป็นทางถูกหรือผิด ในเมื่อไม่ลวมตัวมากเข้าจนเหลือกำลังของผู้ปกครองจะแก้ไขแล้วก็กลายเป็นเชือร้ายขึ้นมาในบุคคลคนนั้นแล้วทำบ้านเมืองให้เดือดร้อนนี่ขึ้นอยู่กับการอบรมสั่งสอนหรือการควบค้าสมาคบทางนั้น ครูอย่าเป็นไปในทางที่ดีก็ย่อมมีลักษณะเช่นเดียวกันต้องได้รับการอบรมสั่งสอนจากคนดีพ่อแม่ผู้ปกครองทางบ้านก็สั่งสอนเด็กในทางที่ดีไปโรงเรียนครูก็จะสั่งสอนในทางที่ดีและแนะนำให้รู้จักกับคนที่ควรคข้ก้าสมาคมว่าคนไหน จะควรครบค้าสมาคมและไม่ควรครบค้าสมาคมต้องพยายามตักเตือนสั่งสอนเด็กของผมอยู่เสมอเด็กคนนั้นก็มีทางที่จะดีได้ถ้าเด็กได้รับการอบรมถ่ายทอดจากผู้ปกครองทั้งฝ่ายบ้านและฝ่ายโรงเรียนอยู่เสมอแล้วเด็กก็จะค่อยกลายเป็นคนดีขึ้นมา เรื่องการศึกษาอบรมฝังเข้าที่ใจนี้เป็นสิ่งสำคัญมากสามารถที่จะระบายออกมาทางกายทางวาจาให้เห็นชัดเจนทั้งที่เป็นฝ่ายดีฝ่ายชั่วดังนั้นการอบรมจรึงเป็นสิ่งสำคัญมากเฉพาะ อ, อย่างยิ่งเราพูดให้เห็นง่ายๆเช่นผู้ที่บวชมาในพระศาสนา มีหน้าที่ที่จะอบรมจากครูบาอาจารย์ในทางที่ดีทั้งนั้นนอกจากหลักพธรรมวินัยที่ท่านไปชี้แจงแสดงไม่แล้วครูบาอาจารย์ยังต้องนำอุบายอันแยบคายต่างๆนี่จะไม่มีในหลักกฤติธรรมวินัยก็ตามแต่ก็เป็นหลัก ท้ามวินัยในหลักธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากความเฉลียวฉลาดของครูอาจารย์มาแนะนาสอนลูกศิษย์บรรดาผู้มาศึกษาก็เมื่อได้รับการอบรมจากครูอาจารย์ที่ดีอยู่เสมอแล้วเรื่องจิตใจที่เคยคิดเป็นโรคโรคมาแต่ก่อนก็จะค่อยเสื่อมกายหรือหายลงไปเป็นรนะดับธรรมวินัยซึ่งเป็นหลักศาสนา เครื่องสักพอกจิตใจกายวาจาให้เป็นไปเพื่อความดีความชอบนั้นยอมจะค่อยฝังลงที่จิตใจของนักศึกษาผู้นั้นเป็ น, นำลำดับไปเมื่อลักธรรมะวินัยได้ฝังเข้าที่จิตใจจนถึงจิตถึงใจเพราะการได้รับการอบรมศึกษาอยู่เสมอแล้ว คู้นั้นย่อมมีความมุ่งต่อต่อทาเป็นประจำจะเลือยซ้ายแลขวาคิิยามายาติการไปมาก้าวหน้าถอยกลับย่อมเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งหลับและทรรมในกลายเป็นความงามขึ้นมาภายในกายว า, ย า, ยวายจาใจของตน ยิ่งได้รับการอบรมศึกษาเข้ามากเท่าไหร่จิตใจที่มีความมุ่งต่ออัตธรรมย่อมจะมีกำลังมากขึ้นเท่านั้นไม่เช่นนั้นแล้วบรรดาสาระาของพวกเราซึ่งเป็นของวิเศษจากศิษและได้กราบว่ากันอยู่ทุกวันนี้จะปรากฏเป็นของอัศจรรย์ให้โลก ได้ถือเป็นเสนาะของใจไม่ได้เพราะคําว่าพุทธังแท้นังคาฉามิโกดีเบื้องต้นท่านก็เป็นผู้มีกิเลสคือจริงเครือบแฝงอยู่ภายในใจคําว่าสังคังแท้นังคาฉ า, ามิได้แจ่พระสงฆ์สาวกอรหรันที่ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเบื้องต้นท่านก็มีจิรลเช่นเดียวกับพวกเรา เหตุใดจึงกลายเป็นของศักสิทธิเกษขึ้นมาต่างจากเราซึ่งมีะภาพเช่นเดียวกันกับท่านเรียกว่าเป็นคนโลกได้เรานี่ก็เพราะได้รับการอบรมพร่ำสอนจากพระพุทธเจ้าผู้รู้หลักความจริงมาโดยถูกต้องนั่นเองเมื่อได้ทราบทั้งผลคือความ ดีตั้งแต่เบื้องตน้นจนถึงความดีอันเนื้อโลกเหนือสงสารด้วยได้ทราบทั้งหลักเหตุคือข้อเครื่องคือเครื่องดําเนินที่พระพุทธเจ้าทรงชี้แกงแสดงแนวทางให้เพื่อสาวกนั้ น, น, นจะได้ดําเนินตามด้วยธรรมะทั้งฝ่ายเหตุและฝ่ายผลที่พระพุทธเจ้าทรงประทานให้แก่พระสาวกองค์นั้นๆ ยอมเป็นไปกับด้วยเหตุผลสามารถจะสูมทราบเข้าถึงจิตใจของสาวกงค์นั้นๆอย่างเต็มที่เมื่อหลักของธรรมะที่เต็มไปด้วยเหตุผลได้ฝังหลักฐานลงถึงจิตใจแล้วไม่มีอันใดจะมีอำนาจวาถนาความสาคัญยิ่งกว่าเรื่องของใจใจเป็นผู้สามารถจะทอล่างนี้ไปได้ทั้งทางถูกและทางปิด ฉะนั้นเมื่อสาวกทั้งหลายได้รับพระโอวาทจากพระพุเทธเจ้าโดยถูกต้องแล้วจึงมีสมรรถภาพคือความสามารถในการจะประกอบความภาพความเพี่ยงแม้จะออกมาจากตระกูลใดๆซึ่งจะเป็นตระกูลที่สุกุ ม, มาราชาติละเอียดอ่อนขนาดไหนก็ตาม ยอ่อไม่มีความทนใจต่อความยากความลำบากที่ต น, ตนจะพึงบําเพ็ญและไม่มีความเยื่อใยในความสุขที่เคยเป็นมาของตนนอกจากมีความมุ่งต่อหลักธรรมอันเป็นไปเพื่อผลอันพระเสร็จนั้นอยู่ภายในใจทุกขณะของจิตใจแล้วเท่านั้น และจะบำเพ็ญตนให้ประสบพบเห็นซึ่งหลักธรรมอันประเสริฐนั้นให้ได้ในขณะใดหรือวันใดวันหนึ่งเท่านั้นสาวโกทั้งหลายจะไม่ไม่มีใจสรายแสไปสู่กระแสแห่งโลกอันจะเป็นเครื่องกดดันจิตใจให้ถ่วงหรือถ่วงจิตใจให้ต่ำลงเลยนีที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ขึ้นอยู่กับการอบรมทั้งนั้นทุกๆุกอย่างถ้าไม่รับการดัดแปลงหรืออบรมพอสมควรแล้วสิ่งเหล่านั้นจะกลายเป็นของที่ใช้ได้ไปเสียทีเดียวนั้นเป็นของที่หาได้ยากจริงคิดดูเช่นบ้านเรือนของเราไม้ เราไม่สามารถจะทำไม้ขึ้นมาใช้เองได้แต่ต้องอาศัยไม้ธรรมชาติที่มีอยู่ตามป่าตามนกซึ่งเขาเกิดขึ้นมาเองโดยหลักธรรมชาติของเขานำมาดัดแปลงเอาด้วยความฉลาดของตนไม้นั้นก็เลยกลายเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นตึกเป็นห้างขึ้นมาให้เราได้รับความสะดวกกายสบายใจเพราะอานาจแห่งความฉลาดของบุคคล เรื่องของใจก็เป็นเช่นเดียวกันกับไม้แต่ละต้นหรือแต่ละท่อนที่เราจะพยายามดัดแปลงจิตใจซึ่งเป็นไม้ทั้งท่อนนี้ให้เราสำเร็จประโยชน์ออกมาเป็นชิ้นเป็นอันตามแต่ความฉลาดสามารถของเราจะดัดแปลงจิตใจของเราได้มากน้อยแค่ไหนเบืองตนใจนี้ก็ต้องเป็นเหมือนกับไม้สูงทั้งท่อน ไม่มีใครจะมีความเฉลียวฉลาดสามารถถอดถอนเรื่องของทุกที่เป็นเครื่องฝังอยู่จิตในจิตใ จ, จและเรื่องความลุ่มหลงที่ฟังลึกอยู่ภายใจิตใ จ, จให้หมดมาตั้งแต่วันตกครอดทีแรกแต่ต้องอาศัยการอบรมศึกษาจากครูจากอาจารย์มาเป็นลําดับลาําดับทั้งการด้านการศึกษาทั้งด้านปฏิบัติ ทำเป็นคู่เคียงกันไปผลก็ปรากฏขึ้นมาภายในตัวของผู้ปฏิบัติอบหลมนั้นๆเป็นลำดับลำดัเช่ น, น, น, น, น, น, น, น, นสาวกของพระพุทธเจ้าเมื่อในปฏิบัติ ต, ตนอย่างเต็มที่แล้วก็กลายเป็นผู้บริสุธิ์ขึ้นมาจากไม้สูงทั้งท่อนคือจิตที่เต็มไปด้วยกิเลสนั่นเองเราผู้ปฏิบัติ จึงควรส้อนใจต่อการอบรมตนไปโลกนี้ย่อมมีทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดคนต้องมีทั้งคนหยาบคนกลางคนละเอียดมีทั้งคนชั่วคนดีมีทั้งคนโงค่คนฉลาดมีทั้งคนมีอำนาจวาสนามากน้อยต่างกันเนี้ยจะให้ชื่อว่าโลกหรือให้ชื่อว่าเป็นมนุษย์เหมือนกัน ลักษณะแห่งกรรมของบุคคลที่มีความแตกต่างกันนั้นจึงแสดงผลให้โลกทั้งหลายได้เห็นชัดว่าคนทั่วทั้งโลกนี้ไม่เหมือนกันหลักของกรรมที่จะเป็นไปในทางดีทางชั่วขึ้นอยู่การอบขึ้นอยู่กับการอบลมทั้งนั้นฉะนั้นการอบลมจึงเป็นหลักสำคัญยิ่งที่มนุษย์ผู้หวังความจเจริญรุ่งรงแก่ตนจะพึงอบลมศึกษาเพื่อหน้าที่การงานนั้ น, น, น ให้มีความฉลาดรอบครอบต่อหน้าที่การงานของตนแล้วนําผลเป็นที่พึงพอใจมาให้เรื่องของใจในวันนี้นี่พูดเฉพาะเรื่องใจของเราแต่ละท่านาานะครในวันนี้มีความโง่ขนาดนี้ถ้าเราได้รับการอบรมศึกษาไปอยู่เสมอวันหน้าความโง่จะลดลงขนาดนั้น จากใจดวงนี้วันต่อไปเดือนต่อไปปีต่อไปเราจะเห็นความโง่ซึ่งฝังจมอยู่ภายในใจของเราค่อยเด่นขึ้นมาภายในใจของเราวันละเล็กวันละน้อยและในขณะเดียวกันจะก็เห็นความฉลาดค่อยฉายแสงออกมาจากกิตที่เคยโงกเขาต่อตอนเองเหนั้นเป็นลำหนับลํานับเช่นเดียวกับความโง่ค่อยเสื่อมลก แต่ความฉลาดค่อยจะเดนรุน่งเดืองขึ้นภายในใจนี่หลักแห่งการอบรมเป็นเช่นนี้ความรู้สึกที่เรียกว่าใจนั้นเป็นเหมือนกันแม้แต่สัตว์เดชานก็รู้แต่ความเยบคลายความกว้างขวางแห่งความรู้ลึกตื้นหยาบละเอียดนั้นมีแง่หนักเบาต่างกันไม่น้อยแม้แต่ ท่านมนุษย์เราก็ต้องมีแง่หนักต่างกันไม่ต้องพูดถึงเรื่องสัตว์เลี้ฉานเลยท่านี้เมื่อได้รับการอบรมศึกษาเขามากน้อยในทางที่ดีสภาพของใจที่เคยทรงความรู้ไว้ภายในตนเองนี้จะค่อยแสดงความรู้นั้นเป็นความแยบขายออกมาค่อยเห็นเหตุเห็นผลเห็นดีเห็นชั่วภายในตนที่ผ่านมาแล้วและค่อยเห็นโทษของตนเป็นลำดั นอกจากเห็นโทษของตนที่เคยเป็นมาโดยลำดับแล้วยังจะก็เห็นคุณแห่งการอบรมขึ้นไปเป็นชั้นๆไม่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าจะกล้าจากความเป็นปุถุชนถึงความเป็นาศาสตราของโลกไปไม่ได้สาวกจะก้าจากความเป็นคนธรรมดาสามัญเหล่านี้ขึ้นสู่ภูมิแห่งสาวกอหรหันไปไม่ได้เช่นเดียวกันเราผู มีอัตภาพร่างกายเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกเมื่อได้รับการอบรมครรมสอนจากพระโอาวาทคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เสมอและดัดแปลงจิตใจตนให้เป็นไปาตามหลักธรรมของพระองค์ท่านแล้อย่างไรเราต้องมีวันก้าวขึ้นไปเป็นลําดับเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกท่านโดยไม่ต้องสงสัยเพราะจิตนี้เป็นสภาพที่เราจะต้องฝึกฝนอบรมให้เป็นไปได้เช่นเดียวกับ พระจากและสาวกท่านธรรมะ8 0 0 0มืิพันพระธรรมขันธ์ไม่ใช่สิ่งอื่นใดแต่เป็นเครื่องซักฟอกจิตใจของเราซึ่งเต็มไปด้วยความโง่ต่อตอนเองนี้ให้มีวันใช้สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาและมองเห็นเงาแห่งความดีความชั่วของตนที่เคยได้ประสบพบเห็นมาตั้งแต่อดีตและปัจจุบันที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้นอกจากนั้นยังจะได้ ฉายแสงปัญญาออกไปให้เห็นทางเดินอันถูกต้องแล้วจะถึงแดนแห่งความกเกษมโดยไม่ต้องสงสัยเพราะธรรมะเป็นเครื่องชักซักพ่ออันเดียวกันกับข้างพระพุทธเจ้าอย่างทรงพระชนดูกิเลสคือความงูกิคือความโง่ที่ฝังอยู่ภายในจิตใจก็เป็นกิเลสประเภทเดียวกัน เช่นเดียวกับความมืดที่ปิดบังในกลางคืนนี้เป็นความมืดชนิดเดียวกันกับความมืดในเมื่อวานนี้หรือในครั้งก่อนๆ น, นีความสว่างซึ่งปรากฏให้เราเห็นชัดในกลางวันในวันนี้กับความสว่างที่เป็นมาในวันนี้เป็นความสว่างอันเดียวกันเช่นเดียวกัน แะตั้งกับตั้งการที่ผ่านมาแล้วก็มีความมืดความสว่างในลักษณะเช่นเดียวกันไม่มีอันไดแตกต่างกันในความสว่างและความมืดทั้งสองประเภทนี้จากครั้งโน้นมาถึงครั้งนี้และจากวันนี้จะไปถึงอนาคตตการข้างหน้าจะยืดยาวขนาดไหนก็ต้องมีความมืดความสว่างเช่นนี้เป็นประจำและเป็นลักษณะเช่นเดียวกันอยู่แค่นี้ลักษณะของความโง่ความฉลาดโปรดอยากเข้าใจว่ามาจากที่อื่นใดและ มีความแตกต่างกันจากจิตใจของบุคคลผู้หนึ่งเป็นความงโง่สามารถจะปิดบงังจิตใจของตนเช่นเดียวกันกันกบครั่งโนนความสว่างคือเรื่องของปัญญาในเมื่อรับการอบรมจากคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะเป็นความสว่างสามารถที่จะยังบุคคลผู้ที่กำลั ง, งโง่นั้นให้มีความฉลาดต่อตัวเองแล้วก้าวเข้า ถึงแดนแห่งความสุขความเจริญเป็นลำดับไปเช่นเดียวกับครั้งพระพุเทธเจ้ายัางทรงพระชนมที่เป็นปัญหาอยู่กับหัวใจของเราในขณะ น, นี้ก็เนื่องจากว่ากิเลสเป็นเจ้าเรือนเท่านั้นจึงไม่ทราบเรื่องของตัวทั้งทั้งที่เป็นอยู่ทุกๆขณะเพราะสิ่ง เคลือบแฝงทั้งหลายเหล่านี้ได้ค่อยจืดจางลงไปเพราะอำนาจแห่งธรรมะเป็นเครื่องซักฟอกแล้วยอมเป็นเช่นเดียวกับเนื้อผ้าที่เคยโสกรปรกโสกโครเพราะการแปดเปื้อนมุลทิมต่างๆเมื่อได้รับการซักฟอกจากเครื่องซักฟอกจนเพียงพอแล้ว ภาพื้นสกรปรกโสโครกท่านเองจะ ก, กลายเป็นภาพที่มีสีนิ่มนวลและน่าใช้กลายเป็นภาพที่สะอาดขึ้นาะใจของเราเมื่อได้รับการซักพอกจากเครื่องซักพอกคือหลักธรรมของพระพุทธทเจ้าแล้วไม่ใช่จะมีความโง่และความมืดอยู่ตลอดเวลาดังที่เคยเป็นมันไม่เช่นนั้นคนดีจะมีขึ้นในโลกไม่ได้แต่เท่าที่มีคนดีคนชั่ว ให้เราเห็นอยู่นี้ก็เพราะอำนาจเครื่องดัดแรงและสักพอหรือเครื่องเครืองแป้งนั่นเองเนื้อผ้าที่ออกม า, มาจากต้นทางจริงๆของเนื้อผ้านั้นเป็นสีเช่นไรแต่ผ้าได้ถูกย้อมด้วยสีต่างๆนั้นแล้วกลายเป็นสีผ้าเช่นไร เราเองก็ไม่อาจจะสามารถจะทราบได้ว่าเนื้อผ้าที่แท้จริง น, นั้นซึ่งยังไม่รับการย้อมจากสีต่างๆนั้นเป็นเนื้อผ้าเช่นไรแต่เมื่อมาถึงตัวของเราแล้วกลายเป็นสีแดงสีดำสีเหลืองสีกาววาวไปหมดไม่ทราบว่าพื้นเดิมของผ้านั้นเขาเป็นอย่างไรนี่อันนี้เทียบกันได้กับเรืองจิตของเราจิตเดิมแท้นั้นเป็นจิตเช่นไร เราเกิดมาก็เห็นแต่กิตที่เต็มไปด้วยสิ่งที่ย้อมแฝงอยู่แล้วสิ่งที่ย้อมแฝงในสถานนี้ที่นี้ได้แก่เรื่องกิเลสตัญหาอาสวะมันพอกพูนมาตั้งแต่กับไหนกันไหนจนไม่สามารถจะทราบได้ว่าเนื้อแท้ของจิตนั้นเป็นชนิดใดเป็นลักษณะใดเห็นตั้งแต่น้ำย้อมน้ำสีเคลือบแฝนอยู่ภายในใจเต็มไปหมดแต่สีที่ดีก็ยังพอทำเราแต่สีที่ หน้ากลัวในที่สาคัญสีที่มีควาถ้าเป็นพิษเป็นภยัยต่อตอนเองนี้เป็นสิ่งสําคัญเพื่อแฝงอยู่กับจิตใจของเราแต่ละหลายละลายเราจรึงไม่สามารถรู้ชัดว่าเนื้อแท้ของจิตเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นการอบรมจิตใจของเราที่พระพุทธเจ้าทรงท่าสอนมาเป็นระเบีบนี้ก็เพื่อจะให้ทราบชัดในเนื้อแท้ของจิตใจ ดีก็ให้รู้อย่างถึงใจชั่วก็ให้รู้อย่างถึงใจด้วยหลักเหตุผลที่ถูกต้องคือธรรมะเป็นเครื่องพิสูจน์ดีจะไม่หนีจากตัวของเราชั่วก็จะไม่หนีจากที่นี่เมื่อได้นำหลักธรรมะเข้ามาเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วจะเห็นทั้งดีทั้งชั่วฝังอยู่ภายในจิตใจของเรานี้ทางนั้นเมื่อในพยายามฝึกผลดัดแปงจิตใจของตน ตามหลักตัวข้าตัดธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ชอบแล้วเรื่องความสว่างกระจางแจ้งของใจเรื่องความเยือกเย็นของใจความสงบสุขของใจจะค่อยแสดงขึ้นมาภายในจิตของผู้อบรก โดยจะไม่มีอันใดสามารถมากั้นกลางห่วงห้ามผลที่ผู้บำเพ็ญ น, นั้นจะปรากฏขึ้นมาภายในตนได้ฉะนั้นหลักการอบรมจรึงเป็นสิ่งสำคัญมากทั้งทางโลกและทางธรรมผู้มีลูกมีเต้าก็ต้องทำความสนใจแต่ลูกเต้าของตน มีบริษัทบริวารก็ต้องทำความสนใจสอดส่องมองดูเสมอไม่เช่นนั้นบริษัทบริวารก็จะเป็นไปในทางที่ผิดไม่มีใครมีแต่ตัวโบของเราเราก็ต้องสนใจประคับประคองตนให้เป็นไปในทางที่ถูกมีล้วนแล้วตั้งแต่การอบรม อะไรรับการอบรมหรือดัดแปลงเต็มที่ในทางที่ถูกแล้วไม่ว่าทางโลกและทางธรรมยอมเป็นไปเพื่อความเจริญไม่ได้เป็นไปในทางความเสือ่อมเ่พาะอย่างยิ่งการอบรมจิตใจในด้านปฏิบัติ ก็เพื่อจะเห็นผลประจักษ์ใจให้ได้ทราบชัดๆว่ า, าศาสนาไมไ่เป็นตุกตาล่อลวงโลกมาโลกทาทานก็ดีรักษาศีลก็ดีจเจริญเมตตาภาณาก็ดีทุกๆอาการที่ทำตามแบบคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่ า, าศาสนาแล้ว จะไม่ต้องไปหวังผลในชาติหน้าชาติโน้นที่โน้นโดยไายเดียวแต่จะเห็นผลประจักษ์ขึ้นในต้นเหตุของผู้บําเพ็ญเช่นเดียวกับเราปลูกต้นผลไม้ขึ้นในบ้านในเรือนในลัว้วในสวนของเราเริ่มปลูกเราก็เห็นต้นผลไม้ต้นนั้นแสดงตัวออกมา อาศัยการลดน้ำพวน ด, ดินรักษาลำต้นอยู่เสมอเราจะได้เห็นต้นไม้ต้นนั้นค่อยเติบโตขึ้นเป็นลาดับลาดับประจักษ์ตาของเราเพราะการบำรุงลําต้นอยู่เสมอของเจ้าของนั้นผู้นั้นนั้นต้นไม้จะนับบันเติบโตขึ้นมาพอควรแก่การของต้นไม้แล้วต้องแสดงผลออกมาให้เจ้าของเห็นชัดประจักษ์ตา กับต้นไม้ต้นนั้นนั้นจะไม่ไปแสดงผลขึ้นที่ไหนนอกจากจะแสดงให้ปรากฏขึ้นในต้นไม้ต้นนั้นไม่ใช่ว่าเราปลูกต้นไม้ในสถานที่นี้แล้วจะไปเติบโตในสถานที่นั้นแล้วไปผลิดอกออกผลในสถานที่โ น, น่นหาได้เป็นเช่นนั้นไหมเรื่องการบำเพ็ญคุณงามความดีจะเป็นประเภทใดก็ตาม แล้วก็บำเพ็ญในลำต้นคือจิตใจกายวาจาของเราผลจะแสดงออกมากน้อยต้องกระจัก์กับใจของเราเป็นลำดับไปเมื่อได้เติบโตขึ้นอย่างเต็มที่แล้วท่าวเล่าลือที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาจนคินคินหูว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้มรรคผลนิพพานอยู่ที่โน่นก็ดี สบบาวกอรหันทั้งหลายตรัสชลูชล่อยู่ที่นั่นก็ดีข่าวทั้งนี้จะกลายมาเป็นข่าวของเราทั้งนั้นความตรัสชลูชล่ก็คือความเต็มเปี่ยมแห่งการบําเพ็ญของเราได้ถึงที่แล้วในวันนี้ในขณะ น, นี้เห็นผลประจักษ์ภายใ น, ในใจิตใจของเราแล้วในขณะนี้ ความบริสุทธิ์อันนี้กับความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายจะเป็นเช่นเดียวกันไม่มีอันใดแปลกต่างกันความหมดกิเลกก็เช่นเดียวกันความบริสุทธิ์พุทโธก็เช่นเดียวกันคำว่าสาุปาทิเสสนิพานได้เห็นพระนิพานทั้งเป็นทั้งทั้งที่มีธาตุขันยังครองตัวอยู่นี้ก็เป็นลักษณะเช่นเดียวกันนี่ เมื่อปฏิบัติต้นเช่นนี้ตามหลักธรรมของผู้ที่กล่าวแล้วศาสนาจริงไม่ใช่ตุกตาเป็นเครื่องล่อลวงเด็กให้ไปคอยเอาชาติโนนชาตินี้ต้องประจักษ์ขึ้นกับลำต้นคือจิตใ จ, จที่รับการอบรมด้วยดีแล้วนี้เองผลข้างหน้าที่จะเป็นไปนั้นต้องต่อเนื่องไปจากปัจจุบั น, นเช่นยังค่าเราให้ทำนาปีกลานี้ เราต้องอาศัยข้าวมาเป็นลำหนับปีนี้เราได้ทำทานาลงในเนื้อนาแปลงนี้เราต้องอาศัยการรับทานข้าวซึ่งเกิดขึ้นจากนาเช่นเดียวกันเราทำนาเราก็รับทานข้าวข้าวผีดอกออกผลขึ้นมาก็เป็นอาหารของเราสืบต่อเนื่องกันไปทั้งปีนี้ปีหน้าตลอดชีวิตของเราต้องอาศัยข้าวเป็นอาหารทั้งนั้นนี่เราการทาบุญให้ทานทุกๆประเภท ไม่ใช่ว่าจะไปคอยเอาแต่ชาติหน้าย่อมมีผลปรากฏอยู่กับใจของเราฝังอยู่ภายในจิตใจเมื่อจะ ป, ปรากฏขึ้นทางหน้าก็คือผู้นี้เองจะเป็นผู้ไป้างหน้าไปเสวยผลของตนที่ทำไว้จะถึงแดนแห่งความเมื่อสุดพุทโธก็คือผู้นี้เป็นผู้ได้บำเพ็ญตนให้สมบูรณ์แล้วปรากฏผลขึ้นมาอย่างเต็มที่เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้ง เพราะฉะนั้นเราทุกทุกท่านโปรดได้ทำความสนใจต่อการอบรมจิตใจของเราอย่าให้เป็นไปด้วยอำนาจของสิ่งต่ำช้าเร็วต่ำกดถี่บังคับทุกทุกเวลามเวลาควรจะหาทางแก้ไขหรือคัดค้านต่อสู้กับทำฝ่ายต่ำนั้น เพื่อให้ทมฝ่ายสูงได้แสดงตัวออกมาได้และเพื่อได้เป็นสนะของเราจากทมฝ่ายสูงนั้นเป็นลำดับไปวันนี้ได้อธิบายถึงเรื่องการอบรมให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายทราบว่าการอบรมมีความจำเป็นอย่างไรบ้าง ทั้งทางโลกและ ท, งทางธรรมทั้งเด็กและผู้ใหญ่ก็พอจะทราบเลยว่าคนทุกๆคนต้องได้รับการฝึกฝนอบรมไม่เช่นนั้นก็ใช้การใช้งานไม่ได้เขาจะทำหน้าที่การงานประเภทใดต้องได้รับการศึกษาอบรมมาก่อนจนเพียงพอแล้วจึงจะควรแก่งานหน้าที่นั้นนั้น นันแหละาษา่ก็ทำทฤษฎนขอความสมหวังที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งไว้แล้วภายในใจจงเป็นไปตามความมุม่งมั่นการพนาของท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเถิด